ข อ, อ, อ, อร่วมตอบรับพระธานไัยออกอากาคออกราูบาอาจารย์ตั้งแต่หลงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกอกอากาศวะพระอาจารย์สรงเิริพระอาจารย์มัทนาชัยอาจารย์ฉัดชัยพันเตเพรสันนิษ์เรนพรยางนาชีบาศกบบาศิกาแล้วก็นักเรียน ทุกคนเนาะ น, นั้นมันตามปกตินะสร้างจังหวะด้วยกระดีถ้าพวกเราคุยกันเมื่อไหร่หลวงพ่อก็จะหยุดพูดเลยนะพระนั้นตั้งตั้งใจดีๆโอกาสที่เราจะได้มาอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายๆ <c oughs> ถ้าเราคุยกันมากๆเนี่ยอาจจะเป็น ครื่องเดียวของโรงเรียนกฎงูที่จะมาที่นี่แสดงว่าไม่พร้อมนาะที่จะให้มาฝึกปฏิบัติกันแต่เพราะนั้นจะนั่งสนมมับนั่งหลับเมื่อหลับเมื่อนอนนะถ้านั่งเมื่หลับเมื่ อ, อนอนนี่ก็โดนผีซึงแล้วนะมีวัดป่าสกเตอไม่มีผีหลับ เราแต่ว่าผีในใจเรามันจะเสิงเร า, าคนเรากลัวผีข้างนอกแต่ผีข้างในมันไม่มกลัวหรอกน่ะวันนึงนวันนึงน่ะผีในใจนนมันมหลอกได้ทั้ ง, งวันทั้งคืนน่ะนี่ไงผีที่ว่ามนก็ความคิดน่นและนแล้วก็ผีที่น่ากลัวที่สุดคือ ผีดุไม่ฟังฮะเอาใจใจตัวเองมาผีดุมาคือบาอาจารย์พี่อะไรก็าม่อยฟังนะฮะหาดจะทำมันวะิ่งเงาเนี่ยไม่เกีย่ยวอาจจะเคลยร์หรือ่าเห็ไหมใหความคิดชนิดนี้เนะี่ยมันก็เลยทำให้เราปิดใจทเราไม่พร้อมที่จะรับ สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นน ม, มาที่วัดป่าสุกเต อ, เตอในเราต้องตาแหลมคลมสักหน่อยม า, มาถึงที่นี่พระก็นั่งเงียบเงียบนาชีเขาก็นั่งเงียบเงียบคนที่วัดเก็เกนิ่งเงียบพวกเรามาเสียงดังหูไม่รู้เลเหรอเขาไม่ราทำอะไรเ้าอยู่กันยังไงเราไปทาตามใจตัวเองนะ เราไม่ดูสถานที่นาเนี่ยเพราะนั้นที่มีปัญญาเนี่ยต้องสังเกตนะหนังสือยังไม่ต้องงานเก็บไว้ก่อนนะเนาะหนังสือยังไม่ต้องอ่านฟังสิ่งที่จะพูดการมาวัดป่าสกุโ ต, โตนะนะถ้าดูธรมธรมดาธรรมดาป่าสกุโตก็ไม่น่าจะมีอะไร แต่ตอนกลาคืนเนี่ยโดินต้งระมัระวังนะมันมีสัตว์มีพิษมีน้ำป่องมีตะขาบมีงูเพราะนั้น oh. คนที่ไม่มีสิมคือคนที่ไม่มีสติมาเดินสับปะรดกัดเอายิ oh. ่งแต่เพื่ที่ชอบคุยกันเดิกันไปคุยกันไปเฮฮานี่ยระวังดูนะอยู่ oh. ที่นนะเพราะนั้นะ oh. ในต่านี่มันก็มีอะไรที่เราจะต้องระมัดระวัง ยิมพวกเรารู้สึกว่าเป็นยะังไงนะเดินมันไปสนุกสนานนี่ฮะนะเดี๋ยวไปเหยียบบางๆเหยยบกระขาดเหยียบนีดคนเยอะนะต้องระวังหน่อยนะแล้วก็ที่พักของเราก็เหมือนกันต้องระวังนะตอนก่อนนอนก็ดูให้ดู มันมีพวกสัตว์พวกนี้อยู่ในไม้นนะเรามัดระวังแล้วมาอยู่ที่รั้ป่าสุโกเต็นะเป็นรั้ป่าที่เงียบสงบเพราะฉะนั้นเรามานะเราต้องรักษาความสงบถ้าเราไม่รักษาความสงบนี่ทำบาปโดยไม่รู้ตัวนะอย่างน้อยก็คือเราไม่มีสติละ ถ้าเราคุยเสียงดังเนียนะบาปอันที่หนเกิดกับ ต, ตัวเรเองอันที่สองไปรบกวนพ้นนี้ก็ปฏิบัติอยู่ที่นี่คุยกังเสียงดังไปกีินีม่เห็นเดินมานี่คุยกัน ด, ดังเลยสมัย ท, ที่นี้ต้องขอครูนำมาทีละกลุ่มเดินมาอย่างหึบหื่นเดินมาคุยเสียงดังนียขึ้นมาสาลาเนี่ยมันเพื่อแปลว่าเนี่ย ขึ้นมาสารนะไม่แยกยังคุยกันอยู่เนอะอันนี้แสดงว่าเราไม่ไม่มีสติปัญญาพอนะเรียกว่าไม่รู้สถานที่ไม่รู้กาลเทศะนะทั้งนี้พนั้นมานี่มาฝึกนะไม่ได้มาเล่นนะพนั้นมานี่มาฝึกมาเล่นฝึกก็ต้องตั้งใจฝึกมานะต้องขัดเกล า, าตัวเอง เวลาครูบาจารย์ก็บอกอะไรก็ฟังไม่ใชอแต่จใจตัวเองนะผีดุผีตัว ท, นะที่หนึ่งงที่น่ากลัวมากยู่นในตัวเรานะเพราะนั้นตรงนี้ต้องเอาชนะมันนะด้วยการที่สังเกตมีสติมีความรู้สึกตัวนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้วันนี้นเราได้ฝึกกันครึ่งวันไปแล้ว นะก็คงจะช่วยเราพอรู้จักมากแต่ยังไม่มากหรอกนะผีตัวที่สองนะวันนี้เราลงผีนะคืนนี้เปหลับฝันเรื่องผีแน่นอนผีขี้เกียดรี้จักไหมผีขี้เกียดเป็นไงคืนนี้เช้าตื่นยังไงกินเองปีสาม ผีขี้เกียจมันไม่บอกอย่าเพิ่งง้อนต่อนอนต่ออย่าเพิ่อาตืนเลยนะมันจะไม่ให้ตื่นนะเนี่ยผีขี้เกียจนแสดงนะนอนจนนอนแม้มันกรอางไหมสลัดเลยนะตสามเนี่ยนี้ครูเขาตุกเนี่ยเราต้องตุนเลยตสามตื่นแล้วก็มาทีนี้สักตสามครึ่งทวัดีี่ นะเพราะฉะนั้นถ้าใครตื่นไม่ได้แสดงว่าผีขี้เกียจมันสิงได้นะเดี๋มึงเรียนรู้กันผีขี้เกียจจีบแสดงใครลุกไม่ได้แสดงว่าผีขี้เกียจไม่กอดมามะเฮลุกไมล่ลอยแล้วก็มาเนี่ยมามันไม่เงียบพรุ่งเช้าเนะนี่ยนะพรุ่งเช้าไม่เรียบก่า น, นี้นะ ยอยู่เลยเนี่ยอันนี้เรียกผีขี้คุยเออมีผีตัวที่สามผีขี้คุยคุยไม่จบไม่ส้นไม่รู้เวลาตอนนี้ควรจะคุยหรือควรจะอยู่เฉยๆอันนี้ม่ผีตัวที่สามอนม้มันยกคุยเรื่องผีโดยเฉพาะผีตังแรกไม่น่ากลัวผีนาน่ากลัวกว่าผีไม่เฉลีย ว, วมันเกิดจากการที่เราไม่มีสติ ไม่มีพระสติผมีมันกลัวพระถ้าเรามีสติเนี่ยผีมันหายผีดือ้อผีขี้เกียดผีขี้คุณใช่ไหม สร้างังไยก้ยกไอ้ยูน่นามเบืยม <c oughs> ตายนะงพ่อลพี่มันั่งเศร้าประกบอยู่นั่นแหละนะใช่ไเ่ผีชีคูลังแสดงตัวแล้วมันเนี่ยดูไหมไอ้นนคนคุ้งน่ะผีขี้คูแสดงตัวนะเพราะั้นฝึกสตินี่กันจับผีในใจนะออกไปนะผีความไม่มีสตินั่นแหละนะ เพราะฉะนนสิ่งนี้เนี่ยการนะทำเล่นมันนะถ้าใครทำเล่นไม่ดีมันจะสิ้นอยู่ตลอดไปอะ่ะแลชีวิตก็จะไม่เจริญนะเรียนหนังสือก็อาจจะจบหรือไม่จบไม่จบแตก็ไม่ค่อดีงานทำก็อาจจะไม่ค่ดีนะแล้วใครคุยกมากเด้ส่งกลับมือแล้วนะมาอยู่ที่นี่แล้ว ไม่ๆ ม, ม, ม, ม, ม, ม่ไม่ไม่กเพาไปว่าสอนไม่ได้ภาษาสั่งไม่ได้ก็สอนไม่ได้นะอ่าพูดถึงเรื่องผีผีดูผ้ผีที่เกียจผีที่คุยนะเนี่ยเป็นผีที่อยู่ในใจรเราอ่ะจะชนะได้ ย, ยังไงให้มีสติ ที่นีตื่นเช้าตีสามรู้ทันแล้วก็มาทำวัดมาตมาก่อนตสนะประมาณตีสามครึ่งนะเพราะนั้นพาน้นมาที่นี่เรยต้องศืนไม่ไมาทําอะไรตามใจสบายรรบอย่างที่เราได้ฟังเนี่ยตอนที่พุทธเจ้าท่านจะตัดเสื้อท่อานเถัไปลอยเทียนกระแสน้สาอ่ะกระแสน้าก็คือกระแสอารมณ์มันเองเราต้องเทียนมัน เคยทาอะไรตามใจอยากตามใจได้มาที่นี่ไม่ี้ะทวนเหมดเลยอย่าไม่อย่นั้นอิดอัดหน่อยลำบากหน่อยแต่ตัวนี้มันทําให้เราแข็งแรงเหมนปลาเนะี่ยปลาเป็นเนี่ยมันจะว่ายทวนน้ําปลาตายมันจะลอยตามน้ำเพราะ้เราจะเป็นปลาเป็นที่จะเป็นปลาตายให้เลือกเอาคนี้ทําตามใจเองไม่เหมือนปลาตายอะลอยไปตามน้ํา ตามใจเจนตามกระสารมณ์ตามกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจเรากิเลสมาเราเรียกเป็นผีก็แล้วกันสมมติเป็นผีไป่าน่ะผีผีี้ขูดีขเกีรติเนพวกนี้เห็นชัดๆเลยนะเพราะฉะนั้นตนี้เนเป็นสิ่งที่เราเหนได้มาด้วยการเจริญสตินี่แหละเพราะฉะนั้นในเืองต้นรมะหราเห็นชัดนะ ฝืนหน่อยอดทนหน่อยไม่ทําอะไรตามใจตัวเองมาอยู่ที่นี่นะใะตรงนี้เราจะจิตใจเราเข้มแข็ ง, ขง ม, มันจะมีกําลังขึ้นมานะแล้วก็ประกอบกับนเราได้ฝึกในรูปแบบที่ท่านอาจารย์สินพาพวกเราปฏิบัติแล้วก็มีพระที่เลี้ยงนะเป็นเพื่อนนะเป็นที่นะให้กําลังใจเชียร์พวกเรามาอยู่ที่นี่นะ เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องเด่คือเรื่องแหละฝึกเจริญสติเพื่อเอาพระสติมาอยู่กับใจกำจัดผงีงาทั้งหลายได้ออกไปจากใจเราจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าสติเราต่อเ น, นื่องเนี่ยสมาธิมันจะเกิดเองงาสมาธิ่กิดใจมันตั้งนั้นอยกรณี้ก็ใครตั้งใจฟังในสแสดงให้มีสมาธิ แต่ถ้าใครไม่ตั้งใจฟังคุยเดินผีที่คุยมันสิงไม่มีสมาธิแล้วบอกแลกหายใจลอยเ น, นเนี่ยคนนีกำลังนั่งจับเรถอยืนชีวิตนี้จะไปรอดไม่รอดบ่ฮะหายใจลยอยเมื่อเสร็จแล้วเะเ่ยนั่งนั่งังมาพูด วันนี้วันนี้เทวดแบทบุกทุนหนานะวัดตีเงินตั้งเมโนตั้งอะไรนะวันนี้เอาเอาะพระมาอาชพระมาเลยวันนี้นะคุยเรื่องผีโดยเฉพาะผีกับสติผีกับพระพระสติะะะสตนะตีนั่นที่เรามาฝึกสตินะด้วยการที่รบมือสร้างจังหวะเดินจงกลมอันนี้เนี่ย เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ลืมตาเมื่อกรรมฐานหลับตาเนี่ยหลับตาแล้วลืมตาลบมือเคลื่อนไหวหลับตาเกิดไว้ก่อนเดี๋ยวไปตอนนอนลืมตาชีวิตจริง ๆ, ๆลงลืมตาเราไม่ได้หลับตา มันเบื่อก็ทํามันไม่เบื่อก็ทํามันเนื่องก็ทํามันไม่เนื่องก็ทําอันนี้คือฝื น, น่งฝืนความเคยชินเพื่อที่ให้สติมันตื่นขึ้นมาอย่างที่ได้ฟังเมื่อตอน เ, นเนย็นสิ่งที่ร้ที่สุดในโลกในจักรวาลคือความรู้สึกตัวความคิดว่าเร็วแล้วเนี่ยความรู้สึกเบือ่องเร็วกว่าอาจารย์โดยไหนลุกโดยไหขนขณะฟังทำไม้ควรลุกนั่งประจําที่ก่อน นั่นก่อนเราก็จบแล้วอดเอาอดเอาที่นี่ทำเนียนอย่างนึงก็คือว่าระหว่างฟังทำเราจะไม่รบเพระนั่นต้องจัดการให้เรียบร้อยนะรบๆนั่งๆมีม่เหมาะาเดีกก๋ยวเรื่งทนได้เลยนะอาจารย์ทน น, นิดนึงหลับสักพักก็จะจะหยุดเระัน ม, มาสุดที่นี่น หนักพอสมควรนะมิใช่เล่นๆนะอันนั้อจมาพูดได้ฟังตลอดพูดแล้วต้องมาไปทําถ้าพูดแล้วฟังแล้วไม่อาไปทําไม่ได้ประโยชน์ไม่อยากจำเลาไปเอาไปพูดไปดคุยกันตรวจพิมพรู้กันแต่ถ้าเราไปแล้วไปฝึกปฏิบัติให้เกิดผลอันนั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์การมาครั้งนี้เนี่ยหนึ่ไว้ต้องเสียเวลานะ สองเสียงเ ม, นะมื่อปมาณนะนะเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ศูนย์เปล่าอย่าใช้เตินมน้ำพริกละลายมะนาเพราะนั้น ม, มาที่นี่เนี่ยเราต้องทยาทให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นอยากจะสนับสนุนชักชวนพวกเรานะนะฝึกปฏิบัติให้ต่อเนื่องาการเต้นสตรีไม่ต้องทําให้ต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องแล้ว มันไม่เกิดผลไม่เกิดผลน้อยรายเร่เราอายเร่ยังไม่มากการที่เราได้มามีโอกาสฝึกเนี่ยถือว่าเป็นโชคเป็นบุญบุญที่เราได้มาเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆโอกาสอยงนี้ไม่มีหรอกตอนนี้แตมายุขนาดนี้ยังไม่ได้เรียนเลยพวกเรานี่ถือว่าโชคดีนะแต่ว่า โชคดีนี้จะเป็นโชคที่ดีจริงๆหรือไม่ก็อยู่ที่เราฝึกปฏิบัติให้ตั้งใจงาฝืนอะดทนมนะที่จะสู้ความาลําบากต่างๆนะนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะเพราะนั้โดยสรุปนะในตอนนีนะ้สิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ก็คือว่าให้เราตั้งใจนะที่จะฝึกจะเรียนสติมานะด้วยการเคลื่อนไหว ที่ท่านเจมส์ซินไม่พยายามที่จะชักชวนพวกเรามาให้ได้ปฏิบัติกันนะแล้วก็ให้ตั้งใจทําสำหรับนักเรียนไม่ขอครูช่วยกันดีลานนะเพราะว่าพระคงค์ดีลานได้ไม่ไม่เต็มที่นะนยิง่งแยิ่งการส่งเสียงดังนะแต่กีนี่มาเนะี่ยก็ทาให้เราเห็นว่านักเรียนยังยังยังปรับตัวไม่ได้ การเสียเงินแม้การเสียดอจังไม่ค่อยพร้อมสังเกตไหมขณะที่เราเสียเงินีมื่ยเสียงให้เดืนลื่นที่มันกระรองด้วยและสังเกตไหมมันลองพร้อมกันเลยเพราะไหมมันมีตัวน้ำแล้วก็ตัวตามมันก็ตามทีนี้ถ้าเราสวดไปด้วยนะทางเจ้าก็ต้องจ่ายท่านน้ำแต่เราไม่ฟังท่านอ่ะเราก็ตามใจเราอ่ะเพราะไหมไม่เพราะใช่ไหมไม่เพราเราอ้เราตามมาอ้พร แตบบ่นั้นตรนี้เนี่ยจ้ากัจจานุยังสอนมันมากเลได้เลนี่มันล้องพ่อเลยพ้มันเลยแตบบ่นั้นอันนี้เป็นเรื่องสติเหมือนกันนะสติในการสวดมนตเราจะไปสวดตามใจเราฟังผี่นันอาผู้ น, นท่านสวด ย, ยังไงช้าเร็วยังไงมาก็พยายามที่จะตามแบบเรียกเสียงเราเดินขึ้นมาหรือว่าเอาตามใจเรา ท่านช้าเราเร็วท่านเร็วเราช้าอะไรเงี้ยเพราะนั้นให้ฟังผู้มมนำเรื่อนในการสวดมนต์นนะเพราเราเป็นครั้งแรกไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะพร้อมเพียงกว่านี้งานนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้เนาะอละในวันนี้เราก็พูดไปสะเทะือนนะจากมนิดนิดสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร้างมาที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากับพวกเราแล้วก็ขอให้เรามีความตั้งใจนะ ในท้ายที่สุดนี้หนาะก็ขออนุโมกุนของภาษีรละอันตะรัยนาก็คือประพุทธพระธรรมพระสงค์ พ, พุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมคือศธรรมความจริงหนาะที่แสดงปรากฏให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหนาะที่เราเชืได้ด้วยสติด้วยปัญญาหนาะดูด้ว ย, วยความรู้สึกตัวหนาะที่เราได้ฝึก งาประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติที่เรามาร่วมกั น, นประพฤติปฏิบัติที่นี่นแล้วก็ให้เรามีความตั้งใจมีความอดทนนมีความเพียรนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ได้พาทำแล้วก็ด้วยการประพฤติปฏิบัตินี้เองก็ให้ได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติ นะก็คือให้รู้เท่าทันความคิดนะเป็นอิสระภาพจากอารมณ์จากความคิดได้สามารถที่จะจัดผนะีก็คือความไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราออกไปจากจิตใจของเรานะในจิตใจของเรานั้นนะเป็นปกติสุขนะและก็มีความสุขมีสมาธิในการที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไปนะแล้วก็ในการดำเนินชีวิต ในเร็ววันนี้โดยช่วงหน้ากันเทินเจริญพร